บทที่4กอุบัติเหตุผู้ดโดยสารซึ่งเป็นเด็กหนุ่มในชุดเสื้อยืดกางเกงสั้นสภายเป้เ ค, ครื่องกีฬาบอกแท็กซี่ให้ชะลอลงหลังขวามือข้างหน้านี่แหละรถจอดแอบทางซ้ายเพื่อหัดยื่นแบงค์ร้อยไปให้โชเฟอร์รับมาเหลือบดูมิเตอร์เห็นเลขค่าโดยสารขึ้นมา55บาทพอดีก็ถามว่ามีเศษ5้าบาทไหมครับไม่มีเลยพี่ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือร้อยเดียว คนขับเห็นผู้โดยสารหน้าตายังวัยรุ่นเลยยกประโยชน์ให้ถอนแบงค์้ามาให้ทุ่นๆอย่างคนมีน้ำใจเด็กหนุ่มยิ้มที่ประหยัดลงตั้งห้าบาทใครว่าสมัยนี้เสษเงินไม่มีความหมายอย่างน้อยก็ทำให้ตาเป็นประกายตอนได้เปรียบคนอื่นอ่าขอบคุณมากโชคดีนะเฮ er. ียอวยพรเสร็จก็เถิดไปทางขวาพผักประตูเปิดผางเต็มอ้าตามนิสัยชอบทำอะไรพรวดพลาดทันใดนั่นเอง รถเจ้ากรรมที่วิ่งตามหลังมาเงียบๆก็เฉี่ยวปลายประตูเกิดเสียงลั่นกรุบของบานพับที่หักกระทันหันประตูทั้งบานหลุดกระเด็นออกไปกระแทกพื้นโครมใหญ่และนอนแอ้งแม้งบนถนนใกล้ๆจากนั้นจึงตามมาด้วยเสียงเบรกลากยาวชวนสะดุ้งเฮ้ย hey! ทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารอุทานออกมาดังๆพร้อมกันโดยเฉพาะพืหัสถึงกับมือเท้าหดอย่างใจหายใจคว่ำ รู้สึกว่าข้างตัวเปิดกว้างว่างโล่งชวนวิวผลของการโอยพรอย่างขาดสติสำริดผลทันใดแต่เป็นในทางตรงกันข้ามกับคำโอยพรสิ้นเชิงโอ้จิบหายเลยทำไมน้องเปิดประตูไม่ดูตาม้าตาเรืออย่างนี้ล่ะคนขับยวยวายทันทีหลังจากผ่านอาการตกตะลึงจัง ง, งังเด็กหนุ่มขมวดคิ้วเคร่งแทนที่จะสานึกผิดกลับมองอีกฝ่ายตาขวาง ก็รถมันซีซัววิ่งเบียดขนาดนี้เฮีย er จะให้ผมทำไงเล่าโชเฟอร์หันทั้งตัวมาเม้มปากจ้องพูดโดยสารวัยรุ่นด้วยสายตาขุนเคืองนึกอยากตบกะโหลกสักลัวค่าที่ทำผิดแล้วยังทะลึ่งโยนบาปให้คนอื่นอีกแต่เผอิญเด็กตัวโตกว่าเกรงว่าตกไปแล้วจะเจอตบกลับเลยขี้เกียจมีเรื่องและเมื่อเหลือไปเห็นเจ้าของรถอีกคันเดินลงมา ก็เปิดประตูพุนผันลงไปเพื่อจเจรจาค่าเสียหายเป็นอะไรมากไหมครับโชเฟอร์วัยกลางคนถามนำเป็นการแสดงความห่วงใยเพือหัสมองตามเมื่อพบว่าเจ้าของรถเคราะไรเป็นผู้หญิงแถมสวยเสียด้วยจึงทำให้ลืมรักตัวกลัวความผิดปั้นหน้าสงบลุกขึ้นยืนแสดงร่างสูงเต็มสัสดส่วนบ้างทั้งที่ตอนแรกกะว่าจะนั่งคุมเชิงดูเหตุการณ์เฉยๆก่อนสาในชุดสูทสีครีม ขยับจะตอบโชเฟอร์แท็กซี่แต่พอเห็นเพื่อหัสก็หันขวับมาทางเขาแทนต่างสบตากันนิ่งในระยะห่างรอบด้านเรายุติความเคลื่อนไหวลงชั่วขณะสีหน้าเคร่งเครียดของหลนคลายลงเรากับมีกระแสพลังเย็นเฉียบโจมจับฉับพลันความคมคายในร่างสูงของหนุ่มน้อยเสมือนมนสกุตรึงให้อึ่งเฉยกระทั่งเขาเป็นฝ่ายเอ่ยก่อนอย่างสุภาพ ขอโทษนะครับพี่ผมเผลอไปเอาเวลากระพริบตาทีๆเออค่ะแล้วหล่อนก็เบนสายตามาทางแท็กซี่เดี๋ยวคงต้องเรียกประกันก่อนช่วยเรียกของฝ่ายคุณด้วยนะคะถ้าทางหล่อนลุกลียลุกลนเล็กน้อยเมื่อเปิดกระเป๋าหยิบโทรศัพท์มือถือทั้งที่เมื่อครู่ยังดูสงบนิ่งอย่างหญิงเก่งที่เผชิญทุกสถานการณ์ได้อยู่ดีๆ เพื่อหัดเหลือบมองประตูแท็กซี่บนพื้นซึ่งนอนงอเล็กน้อยกระจกรา้าเป็นใยแมงมุมทั้งบานแล้วสะบัดหน้าไม่แยแสผ่าร่างสูงไปสำรวจความเสียหายของโตโยต้าวีออสสีบรอนเงินซึ่งดับเครื่องจอดเปิดไฟกระพริบอยู่ข้างหน้ากว่าสิบเมตรก้มก้มเงยเงยดูทั่วแล้วพบว่ามุมซ้ายด้านหน้าบุบไปพอสมควรแต่ไม่ถึงกับยับเยินเพราะแค่กระแทกผ่านไม่ใช่การชนของทึบหนัก สรุปคือฝ่ายแท็กซี่เป็นผู้ได้รับความเสียหายมากที่สุดประตูด้านขวาตอนหลังหลุดออกมาทั้งกระบี่รหัสเดินกลับมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยเห็นโชเฟอร์ท่าทางหัวเสียงุ่นง่านมากขึ้นเรื่อยๆพยายามพูดอธิบายผ่านโทรศัพท์มือถือให้พนักงานประกันภัยเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดหญิงสาวเจ้าของ V อก็เช่นกันทุกฝ่ายกำลังสงสัยว่าใครผิดใครจะต้องชดใช้ค่าเสียหายธรรมดาโลกก็อย่างนี้เอง พอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นทุกคนรู้ว่าต้องมีใครสักคนรับผิดชอบเพียงแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้กฎและต้องรอคนอื่นซึ่งรับหน้าที่ดูแลกฎมาตัดสินโดยเฉพาะกฎซึ่งไม่มีอยู่ก่อนในธรรมชาติแต่มาเกิดขึ้นหลังจากมนุษย์ผ่ากันสร้างกฎหมายขึ้นมาพอคู่กรณีต่างผู้โทรศัพท์กับประกันของตนเสร็จก็หันหน้าเข้าหากันโวยชะมัดอย่างนี้ผมคงวิ่งไม่ได้อีกหลายวัน เอาเวลาทำหน้าเห็นใจแต่ไม่ทราบจะปลอบอย่างไรถูกเพราะรถของหล่อนก็ช้ำไปเหมือนกันจึงแค่พึมพำนั่นสิแท็กซี่หันมามองเด็กหนุ่มเคืองเคืองเฮน้องไม่น่าเลยประกันบอกมาแล้วว่าน้องผิดเต็มประตูพี่จอดแอ บ, บซ้ายถูกต้องน้องเรียกพ่อมาจ่ายทั้งสองฝ่ายเถอะนี่ไม่ได้วิ่งอีกหลายวันคงต้องขอค่าเสียหายเพิ่มเอาอยัางไงก็เอาเถอะเดี๋ยวให้ประกันมาตัดสินก่อน เพื่อหัดพูดแบบแข็งใจข่มโทสะไม่ใช่เรื่องหน้าพิสมัยนะักกับการโดนแท็กซี่ด่าทอต่อหน้าสาวสวยเมื่อแรกพบเข้าไปรอประกันในบ้านเธอครับนี่บ้านผมเองหันมาชักชวนหญิงสาวแบบเจาะจงไม่ละคะ่ะขอบคุณพี่ขอนั่งรอในรถแล้วกันเด็กหนุ่มยิ้มแบบไม่ขัดใจก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปเอาน้ำมาให้โดยไม่ฟังคำทัดทาน เพื่อหัดเดินไปช่วยเป้เครื่องกีฬาจากเบาะท้ายแท็กซี่แล้วเปิดประตูรั้วหายเข้าไปครู่หนึ่งก่อนออกมาพร้อมน้ำแก้วเดียวเดินดุ่มไปยังรถ v ีอสพี่ครับน้ำเอาเวลารับแก้วพร้อมจานรองด้วยมือขวาแย้มยิ้มแทนคำขอบคุณลอนเปิดประตูด้านคนขับไว้ครึ่งหนึ่งและกำลังคุยโทรศัพท์ค้างกับใครอยู่เพื่อหัดลงนั่งที่ขอบปูนห่างออกไปเล็กน้อยเป็นการแสดงท่าว่า จะเฝ้ารอเป็นเพื่อนหญิงสาวปลายหางตาหวานเหลือบมองเจอยิ้มซื่อดูหน้าอบอุ่นของเด็กหนุ่มที่ยิงเข้าตาแล้วเสียวหัวใจขึ้นมาแปลกหนึ่งจึงกดปุ่มพักสายกับคู่สนทนาชั่วคราวน้องเข้าไปรอในบ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวประกันมาแล้วพี่จะกดออดเรียกไม่เป็นไรครับขอนักเป็นเพื่อนพี่สบายใจกว่าเอาเวลาอ่ำอึง้งเขาแสดงความรับผิดชอบแบบไร้มารยาทสิ้นดี หลอนคุยโทรศัพท์อยู่เห็นเห็นยังมานั่งเสียใกล้เรากับจะขอฟังด้วยคนแต่หญิงสาวกลับปราศ จ, จากความขุนใจใดๆเพราะแม้ใบหน้าอีกฝ่ายยาวไวกว่ามากแต่สายตาของฝ่ายนั้นมีแรงดึงดูดเรากับแม่เหล็กทรงอำนาจเหนือหลอนสามารถสะกดให้นึกอยากโอนอ่อนยินยอมตามใจล้มลงเหตุผลตามปกติของคนแปลกหน้าที่เพิ่งพบกันได้สิน้นเออพี่น้อง หลอนหันกลับไปพูดกับผู้อยู่ในสายขอคุยกับน้องในรถแท็กซี่ก่อนนะคะอืมเดี๋ยวประกันคงมาไม่กี่นาทีหรอกมั้งค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวโทรไปเล่าให้ฟังว่าเป็นไงพอยิงสาวพับปิดมือถือเพื่อหันก็ยิงคำถามทันทีแฟนพี่เหรอครับความจริงไม่ใช่แต่เอาเวลาไม่เห็นความจำเป็นต้องตอบจึงทาทีเมินเก็บมือถือเข้าซองเฉยผมชื่อต่อยนะพี่พี่ชื่ออะไรครับ เอาเวลาเกือบไม่ตอบแต่แล้วก็เปลี่ยนใจยอมบอกชื่อเค้กค่ะโอ้โหชื่อหน้ากินจังหญิงสาวเบนหน้าไปอีกทางหนึ่งซุ่มเสียงกับวาจาที่เปล่งจากปากเขาแต่ละคำส่อชัดถึงเจตนาไตากระดาดข้ามรุ่นคเนว่าอย่างน้อยเขาต้องอ่อนกว่าหล่อนไม่ต่ำกว่า5ปีขึ้นไปหน้าแปลกบ้างก็ตรงที่จนแล้วจนรอดหลอนยังไม่ยักนึกอยากปิดประตูรถใส่หน้าเขาอยู่ดี เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแท้ๆแต่ผมไม่เคยเห็นพี่เค้กเลยพี่อยู่มานานแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วตั้งแต่น้องต่อยอายุไม่ถึงสิบขวบมั้งเอาเวลาใช้น้ำเสียงเตือนอยู่ในทีให้ระลึกถึงความแตกต่างระหว่างวัยเทราะว่านั่นดูเหมือนไม่ได้ทำให้เด็กหนุ่มรู้สึกรู้สาเท่าใดนะักโหนานขนาดนั้นเลยเหรอผมน่าจะเจอพี่เค้กที่ไหนบ้างอย่างน้อยก็ตอนกินข้าวพี่ก็ขับผ่านหน้าบ้านต่อยมาตลอดนั่นแหละ แต่ไม่ค่อยทานข้าวแถวนี้บ่อยนักหรอกพูดแล้วเอี้ยวตัวไปคว้าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มาจากเบาะด้านหลังกางขึ้นกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อให้เกิดม่านบางๆลดความรู้สึกว่ากำลังสนทนากับเด็กหนุม่มโดยตรงอย่างเดียวเปิดควมวิเคราะห์ดวงหรือฮะดีเหมือนกันผมกำลังอยากรู้ว่าทำไมวันนี้มือสวยนักเอาเวลาอดหัวเราะไม่ได้หมนี่ท่าทางเจ้าชู้และมีลูกเล่นแพรปลาว อย่างน้อยก็ทำให้หล่อนเผลอนึกสนุกรู้สึกคล้ายกลายเป็นเด็กสาวรุ่นกระต o ะที่ถูกหนุ่มน้อยวัยเดียวกันตามจีบพี่ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าวันเดินปีมาเกี่ยวกับความเฮงความซวยคนเราประพฤติให้เฮงมันก็เฮงเพื่อหัดยิ้มนิดๆหล่อนละคําที่ควรเติมให้เต็มคือประพฤติให้ซวยมันก็ซวยไว้ได้อย่างน่ารักจึงชักถูกใจพี่สาวคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าการดูดวงคือการเอาสถิติมาพูด ส่วนใหญ่ก็ตรงนี่ฮะอย่างผมเกิดวันพฤหัสตามดวงคือมองโลกในแง่ดีไม่อยากทำให้คนอื่นเจ็บปวดแล้วก็รักใครรักจริงใจนิ่งกับคนรักคนเดียวผมว่าตรงเพงเลยเอาเวลายิ้มมุมปากในเมื่อเขาตีสนิทรวดเร็วหล่อนก็ถือว่าพูดได้ไม่ต้องเกรงใจเช่นกันบังเอิญมั้งคะที่พี่เห็นนะท่านิสัยแท้จริงออกมาไม่ตรงกับดวงประจาวันเดือนปี ก็จะมีหมอดูแก้แบบดิ้นไปเรื่อยๆเช่นเวลาตกฟ้าหรือข้างขึ้นข้างแรมมีส่วนกำหนดให้ความรู้สึกนึกคิดดั้งเดิมแปรปรวนแต่ของผมไม่แปรปรวนเด็กหนุ่มยิ้มเถียงแบบดื้อตาใสหญิงสาวเลิกคิ้วเล็กน้อยก็ดีค่ะเพราะคุณสมบัติของคนวันพฤหัสที่น้องว่ามาทำให้พี่เกิดไอเดียอย่างหนึ่งคือถ้าทุกคนสั่งหมอผ่าท้องเอาลูกตัวเองออกในวันพฤหัสเหมือนกันหมด โลกคงเต็มไปด้วยคนน่าใสาใจซื่อมั้งแล้วพี่เค้กล่ะเกิดวันอะไรผมจะทายให้ดูเอาเวลาเห็นความแนบเนียนของเด็กหนุ่มในการเข้าถึงเรื่องส่วนตัวเพื่อก่อความรู้สึกเป็นกันเองด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำใจหนึ่งเกือบตอบเพื่อลองดูว่าเขาจะใช้ความรู้แบบหมอดูกรรมลอพยากรอะไรหล่อนแต่อีกใจก็ไม่อยากเปิดทางสนิท ก, กับเด็กเร็วนักมิฉะนั้นเด็กจะหาว่าเล่นด้วย และสรุปว่าเขามีสิทธิข้ามรุ่นหญิงสาวใช้สายตามองหน้าจอคอมพิวเตอร์เฉยนิ้วเคาะปุ่มคีย์บอร์ดต๊อกต๊อกเพื่อดูข้อมูลในโปรแกรมไดอารี่ที่ปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติพี่เค้กทำงานอะไรครับท่าทางเหมือนนักวิเคราะห์ประจำบริษัทใหญ่ที่ไหนสักแห่งไม่ใช่นักวิเคราะห์หรอกคะ่ะเป็นแค่เลขาเท่านั้นสมัยนี้เลขาถูกใช้เสียหัวปั่นจนไม่มีเวลานินทานายเลยใช่ไหมพี่ เลขานุการีสาวหัวเราะออกมาอีกก็นินทาได้เรื่อยๆเมื่อมีโอกาสแต่เผอิญเจ้านายคนปัจจุบันนี้ดีเรื่องหน้านินทาเลยน้อยหน่อยพรหัสระบายยิ้มกริ่มไม่จางจากใบหน้าเลขานุการที่มีเงินเติมน้ามันรถคงไม่ใช่ได้เงินเดือนแค่เจ็0 0 0 0บาทแน่นอนหล่อนคงเป็นเลขาระดับที่ต้องจบโทรกระมังพูดเหมือนเปลี่ยนนายมาหลายคนแสดงว่าพี่เค้กทางานมาหลายปีหรือ ทำไมหน้าตาอ่อนจังตอนแรกเก่งว่าห่างจากผมไม่เกินสามปีเป็นอย่างสูงน้องต่อยอายุเท่าไร่ 17. เอาเวลาถอนใจของพี่24คนละรุ่นกันเลยหญิงสาวบอกด้วยเสียงขึ้นจมูกตอนท้ายลงน้ำหนักแบบขมเด็กหน่อยๆเขาทำเสียงตกอกตกใจตั้ง24ีแล้วถ้าหลอกผมว่าเป็นรุ่นน้องมอสียังอยากเชื่อซะมากกว่า ประกันเมื่อไหร่จะมาไม่รู้เนอะนานจังเถวาเร่าเบี่ยงเบนทิศทางสนทนาอย่างจงใจขอคุยเรื่องไกลตัวเดี๋ยวก็มาครับเพิ่งไม่กี่นาทีเองน้องต่อยโทรบอกคุณพ่อหรือยังคะยังครับต้องโทรเลยเหรอก็ควรจะอย่างนั้นให้คุณพ่อรับรู้เพราะต่อยเป็นคนผิดแน่ๆและคงเซ็นยอมรับอะไรเองไม่ได้อยู่แล้วพี่คุยกับประกันเห็นเขาว่านะแล้วพ่อผม จะต้องโดนแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูพวกประกันประเมินความเสียหายพี่ให้ยืมมือถือเอาไหมดีเหมือนกันฮะเอาเวลายื่นโทรศัพท์เครื่องจิ๋วให้กับตัวซวยประจำวันเงียบๆเบพื่อหัดรับแบบลอบซ้อนมือสัมผัสหลังมือนิ่มของหญิงสาวจนฝ่ายนั้นกระตุกกลับขมวดคิ้วจ้องด้วยสีหน้าไม่พอใจเด็กหนุ่มทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้กดเบอร์บิดาแล้วยกขึ้นแนบหูรอ พอผู้อยู่ปลายทางรับสายก็เอ่ยเสียงเรื่อยเฉยเหมือนทั้งทายธรรมดาพ่อเหรอนี่ต่อยพูดแป๊บเดียวพ่อไม่มีอะไรมากคือรถมาชนกันหน้าบ้านเราตอนนี้รอประกันอยู่อ๋อเออจะเรียกว่ายังไงดีคือเป็นความเกี่ยวข้องกับต่อยโดยบังเอิญนนะ่ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกผมเปิดประตูแท็กซี่แล้วมีพี่คนหนึ่งขับรถผ่านมาเขาเลยซอยรางวัลใหญ่ไปพอดีไม่ไวยวายหรอกพ่อ พี่เขาเป็นคนน่ารักเวลามองผมท่าทางเหมือนสงสารลูกหมาตัวหนึ่งด้วยซ้ําครับครับนั่นแหละทุกคนกําลังรอประกันอยู่พี่เขาแนะให้ผมโทรมาบอกพ่อก่อนนั่งอยู่ตรงหน้านี่แหละถ้าเขาโว้กฟกป่านนี้พ่อได้ยินแล้วนั่นสิผมก็ว่างั้นแหละโอเคเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะโทรบอกอีกทีพ่อไม่ต้องหนักใจนะเรื่องเล็กครับเพื่อหัดกดปุ่มตัดสัญญาณและยื่นคืนเจ้าของ เอาเวลามองหน้าเขาแบบกลั้นยิ้มใครมองใครเหมือนสงสารลูกหมาตัวหนึ่งไม่ทราบล้อเล่นหน้าพ่อผมเขาเป็นห่วงกลัวโดนคู่กรณีรังแกผมพยายามให้เขารู้อ้อมว่าพี่เป็นผู้หญิงไงต่อให้เป็นผู้ชายใครจะรังแกเธอได้ตัวสูงเหมือนต้นตาลผมตัวสูงเสียเปล่าแต่ไม่ค่อยชอบต่อสู้พ่อเลยเป็นห่วงเสมอขนาดโดนตบบ้องหูหยามศักดิ์ศรียังเฉย ไม่โต้อตอบสักนิดใครตบหลานผมเขาตอบหน้าตายอายุแค่สองขวบผมยังไม่กล้าทำอะไรมันคืนเลยอเวราหัวเราะออกมาเต็มเสียงเพื่อหัดยิ้มนิ่งเสียงหัวเราะเปิดเผยของผู้หญิงบ่งบอกถึงอาการยอมสนิทไม่แปลกหน้าต่อกันเท่าไหร่แล้วแปลกนะเพื่อหัดรำพึงด้วยความรู้สึกที่แท้จริงทาไมผมไม่เคยเจอพี่เค้กมาก่อนเลยก็ไม่เห็นแปลกนี่หมู่บ้านเราไม่ใช่เล็ก ถ้าพี่ออกไปซื้อของปากซอยก็จะเดินหรือขี่จักรยานอีกทางเอาเวลาเบะปากยิ้มและกอดอกกระตุกไหล่หน่อยๆต่อให้อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็เถอะเราอาจไม่ได้เจอกันเลยทั้งชาติถ้าเมื่อกี้ต่อยแค่เปิดประตูอย่างมีสติพี่เ ค, ค้กเชื่อเรื่องพลังลึกลับไหมเขาพูดด้วยน้ำเสียงทีเล่นทีจริงคนเรามักเจอพลังภายนอกบางอย่างมากระทำอาจทำให้ขาดสติ หรืออาจตัดสินใจแปลกๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเอาเวลาอดยิ้มขันไม่ได้เริ่มใช้หางสิงสะบัดเหมือนต่อปากต่อคำกับหนุ่มรุ่นเดียวกันอำนาจพลังซุ่มซ่ามนะสิท่าทางเธอมีอยู่อย่างเหลือเฟือเลยละไม่เขาปฏิเสธยานคางผมกำลังพูดถึงพลังบางอย่างที่ส่งมาจากดวงดาวต่างหากญิงสาวหรีตานิดหนึ่งท่าทางเขารวยอารมณ์ขัน และให้ความบันเทิงกับผู้หญิงทุกคนที่อยู่ใกล้ได้ตลอดเวลาคุยกันพักเดียวเหมือนรู้จักกันมาหลายปีใจหนึ่งเตือนตัวเองให้ระวังแต่อีกใจหนึ่งก็สดชื่นเหมือนดอกไม้บานและไม่อยากหุบลงเร็วนักแปลว่าดวงดาวส่งเธอมาหาพี่เหรออเวราขยายหน่อยตาจับจ้องเด็กหนุ่มเริ่มจุดยิ้มเล่นในกับเขาบ้างไม่รู้สึกว่าตนเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนสักเท่าไหร่ในเมื่ออีกฝ่ายเป็นคนเริ่มก่อน พึหัดสารตากับหญิงสาวด้วยแววรื่นรมและคราวนี้หล่อนก็ไม่หลบเลี่ยงใครเริ่มประกาศว่าถ้าเธอแน่ฉันก็แน่เหมือนกันมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งชะลอความเร็วลงและจอดสนิทใกล้กับแท็กซี่เรียกความสนใจจากสองหนุ่มสาวให้หันไปทางนั้นแทนประกันมาแล้วมั้งพี่เค้กพึ่หัดดาว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทแน่นอนผู้มาใหม่เป็นชายร่างอ้วนใหญ่หน้าตาเคร่งเครียด ท่าทางเหมือนพร้อมจะหาเรื่องกับทุกคนในโลกได้ตลอดเวลานายคนนั้นพูดเป็นงานเป็นการกับแท็กซี่อยู่ครู่เดียวก็หันมาทางพฤหัสกับอาเวราก่อนเดินดุ่มมาหาพอใกล้ระยะก็ถามเด็กหนุ่มด้วยท่าทีของคนที่ถนัดจู่โจมเป้าหมายทุกเมื่อเชื่อวันน้องใช่ยไม้เป็นคนเปิดประตูเปิดไม่ได้ดูรถวิ่งมาเลยเหรอคุณเป็นประกันฝ่ายไหนครับพฤหัสย้อนถามด้วยน้ำหนักเสียงของคนไม่ยอมให้ใครข่มง่ายๆฝ่ายแท็กซี่ โชเฟอร์เขาทำถูกต้องแล้วคือจอดแอ บ, บซ้ายตามกฎและปกติผู้โดยสารต้องออกทางด้านซ้ายอย่างนี้คนขับไม่ต้องรับผิดชอบอายุเท่าไหร่แล้วเราลีลาพูดและวิธีถามแบบทนายทำให้พฤหัสเลือดขึ้นหน้าเพราะไม่อยากให้อาเวราเห็นเขาเป็นเด็กที่ถูกใครขี่เล่นง่ายๆหากอยู่กันเดี๋ยวๆตัวต่อตัวใครมาท่านี้คงโดนเขาเตะกลางถนนเข้าให้สักปาบแล้ว สูงพอๆกันดันทะลึ่งจะขย่มกันตั้งแต่แรกพบทีเดียว17ตอบห้วนสั้นผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครออกกฎให้ลงทางซ้ายไม่เคยมีใครบอกสักคำเจ้าหน้าที่ประกันโยกศรีรษะไปมาอย่างแรงไม่ได้กฎหมายบอกไว้ว่าทุกคนต้องรู้กฎบะอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมน่าซีคนไม่รู้จะบังคับให้รู้ไปทุกอย่างกฎมีตั้งกี่หมื่นข้อ ทราบดีว่าเถียงไปก็ป่วยการเปล่าแต่ทั้งนี้จุดประสงค์ของผู้ลอหัสแค่จะอัดกำลังเสียงสู้กับชายร่างใหญ่มากกว่าอย่างอื่นซึ่งก็ได้ผลเจ้าหน้าที่ประกันเริ่มเสียงอ่อนลงด้วยเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ทำตัวเป็นหมูให้เคี้ยวง่ายนะักเขาถูกสอนมาให้เห็นฝ่ายตรงข้ามของลูกค้าเป็นเป้าจู่โจมไว้ก่อนการถล่มเป้าให้พังได้อ่านหมายถึงการเรียกค่าเสียหายเป็นกอบเป็นกรรมากขึ้นธรรมชาติของกฎเป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ว่าจะกฎหมายประเทศไหนใครผิดก็ต้องตัดสินตามกฎไม่งั้นคนก็อ้างไม่รู้ถือว่าไม่ผิดกันทั้งเมืองนะสิบ้านน้องหลังไหนตามพ่อแม่มาคุยดีกว่าหลังนี้แหละพระหัสชีต้ตอบหุ้นหุ้นพ่อผมยังมาไม่ได้หรอกถ้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ไปว่ากันที่โรงพักนายอ้วนกระแทกคําว่าโรงพักด้วยหวังจะให้เด็กหนุ่มฟอและจินตนาการไปถึงการติดคุกติดตารางแต่เด็กหนุ่มกับโผ่่ร้อฮือฮืและลากเสียงยาวตอบ ได้สารวัตรงชัยสนใกล้ๆนี้กินเหล้ากับพ่อผมเป็นประจำเดี๋ยวไปถึงแล้วให้ช่วยไกล่เกลี่ยคงง่ายขึ้นตัวแทนประกันภัยผินหน้าไปอีกทางเขาทำคดีที่มีเด็กเกี่ยวข้องมาหลายหนและเห็นความคล้ายคลึงชนิดนี้หลายครั้งจนได้ข้อสรุปว่าเด็กสมัยนี้กล้าสู้กล้าเถียงแล้วก็มีความก้าร้าวสูงทาให้เล่นงานได้ไม่ถนัดนักถามหน่อยเธอคะ่ะ สำหรับดิฉันมีขั้นตอนอะไรยุ่งยากมากไหมนายอ้วนหันมามองหญิงสาวพูดจานุ่มนวลต่างจากที่คุยกับเพื่อหัสเป็นคนละคนเดี๋ยวประกันฝ่ายของคุณมาก็คงซักอะไรแท็กซี่จิปาถะเป็นต้นว่าทำไมไม่ล็อกเแบบี้เซฟซึ่งก็เอาผิดอะไรกับแท็กซี่ไม่ได้หรอกคุณกับแท็กซี่เซ็นอะไรที่นี่สองสามแกลกก็กลับบ้านได้แต่น้องคนนี้คงมีธุระยาวนิดหนึ่ง เดี๋ยวผมกับประการฝ่ายของคุณคงต้องพาเข้าไปโรงพักด้วยกันเพื่อที่จะลงบันทึกประจําว่าเขาเป็นฝ่ายผิดและต้องชดใช้แค่ไปถึงนี่ก็ต้องเสียค่าปรับแล้ว400แล้วพ่อของเด็กก็ต้องมาเซ็นยินยอมรับผิดทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าซ่อมจากพ่อเขาภายหลังแย่จังถ้าช่วยอะไรน้องเขาได้ก็คงจะดีนะคะน้ำเสียงของอเวรามีความเอื้ออารพอจะช่วยปรับบรรยากาศให้ผ่อนคลายลงได้มาก อ๋อเดี๋ยวมีขั้นตอนผ่อนหนักให้เป็นเบาอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงหรอกในประกันไม่ขยายความมากกว่านั้นเนื่องจากคนผิดยืนหัวโดอยู่ตรงหน้าอันที่จริงถ้าพ่อของเด็กเขี่ยวลากดินหน่อยจะยึกยักไม่จ่ายก็ยังได้ซึ่งนั่นหมายความว่าต้องมีการดําเนินคดีฟ้องร้องกันต่อไปและแม้พ่อเด็กตกลงจ่ายก็มักไม่ต้องเสียเต็มจํานวนค่าอะไรกับค่าแรงที่สองบริษัทประกันภัยต้องช่วยกันชดใช้อยู่แล้ว ขึ้นกับศาลว่าจะใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งให้จ่ายเท่าไหร่โดยเฉพาะคดีที่เด็กก่อขึ้นให้ผู้ปกครองรับผิดชอบศาลมักปราณีเป็นพิเศษกฎหมายของมนุษย์คิดโดยมนุษย์ผ่อนปรนให้มนุษย์ด้วยกันอย่างนี้เองมนุษย์พยายามจะยุติต่อกันด้วยความคิดและการพิจารณาตามสมควรแก่ฐานะครู่ใหญ่ผ่านไปหลังจากตัวแทนบริษัทประกันทั้งสองฝ่ายมาถ่ายรูปและมอบใบรับรองการเกิดอุบัติเหตุ โดยไม่เจตนาไม่ได้ประมาทและมีผู้อื่นเป็นชนวนก่อความเสียหายธุระของอเวรากับแท็กซี่เสร็จเรียบร้อยในเวลาค่อนข้างสั้นแต่ธุระของเด็กหนุ่มผู้ประมาทขาดสติยังไม่จบนายประกันทั้งสองพยายามไล่บี้จี้ให้ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งของผู้ลหัดมาเซ็นรับผิดชอบที่สถานีตำรวจซึ่งเมื่อติดต่อทั้งพ่อทั้งแม่แล้วปรากฏว่าไม่มีใครว่างมาได้เดี๋ยวนี้จึงจาเป็นต้องนัดหมายกันวันอื่น ซึ่งนายประกันทั้งสองก็ไม่เดือดร้อนมากนะักเนื่องจากเหตุเกิดถึงหน้าบ้านของเด็กเห็นหลักแหล่งที่อยู่กันทนโทุอย่างนี้แล้วเอาเวลามีน้ำใจอยู่เป็นเพื่อนเพื่อหัสจนเจรจาทุกอย่างเสร็จสับแท็กซี่กับนายประกันหายหน้ากันไปหมดแล้วเหลือแต่หล่อนกับเขาตามลําพังเหนื่อยแฮ่เด็กหนุ่มทําเสียงครวญเรียกคะแนนสงสารขณะเดินเคียงข้างหญิงสาวเพื่อมาส่งหล่อนที่รถที่หลังจะได้เข็ดไง พอรู้ว่าต้องเหนื่อยอย่างนี้สติคงดีขึ้นเยอะครับพี่เค้กผมคงเข็ดละคราวนี้ก่อนเปิดประตูรถครั้งต่อไปคงต้องพนมมือท่วมกระหม่อมเพื่ออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียก่อนยญิงสาวหัวเราะพรางสายหน้าด้วยความอนาถแค่เหลือบดูซ้ายขวาหน้าหลังดีๆก็พอแล้วเงียบเสียงครู่หนึ่งก็ปลอบบ้างช่างเถอะอย่านึกถึงมันอีกเลยเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านต่อยไป มายืนนิ่งด้วยกันที่หน้าประตูรถเพื่อหัดแลลึกลงไปในตาอีกฝ่ายวันนี้ผมทำอะไรแย่ๆผมขอโทษอีกครั้งนะครับพี่เคก้กอเวลาอมยิ้มเปิดประตูก้าวเข้าไปนั่งประจำที่คนขับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเอารถเข้าอู่พี่ก็คงนั่งแท็กซี่ไปทำงานไม่กี่วันหรอกบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องก่อนกล่าวลาพร้อมโบกมือบ า, บายๆไปละเดี๋ยวครับพี่เคก้ก พือหัดเกาะขอบประตูเหนียวไว้ไม่ยอมให้หลอนปิดเอเวลาเลิกคิ้วสูงเป็นเครื่องหมายคําถามว่ามีอะไรอีกขอเบอร์มือถือของพี่ให้ผมได้ไหมจะเอาไปทำอะไรผมจะช่วยให้พี่เช็คความสามารถของมือถือไงว่ารับสัญญาณจากที่ไหนได้บ้างเอาเวลาหัวเราะคิกมุกเยอะจริงนะแล้วหล่อนก็เปิดเผยหมายเลขเครื่องของตนชัดถ้อยชัดคาแต่เร็วปีตเป็นปืนกลจากนั้นปิดประตูปัง หย็บคันเร่งบึงรถหนีทันทีทิ้งให้เด็กหนุ่มยืนมองตามหลังจนลับตาจะรู้จักกันต่อหรือจบสิ้นความสัมพันธ์เพียงแค่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถจดจำเบอร์โทรศัพท์ของเขาที่หลอนยิงให้รวดเดียวหนเดียวในเวลาอันแสนสั้นแล้ว